เรื่องกรรมที่สงทศวรรษพึงธรรม391กสภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงทศวรรษพึงธรรมสงมีภิกษุณีเป็นที่สิบทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงทศวรรษพึงธรรมสงมีสิกขมานาเป็นที่สิบ ละมีสัมมเนรเป็นที่10มีสัมมเนรีเป็นที่10มีภิกษุผู้บอกลาศิกขาเป็นที่10มีภิกษุผู้ต้องอันติมาวัตถุเป็นที่10มีภ like ิกษุผู้ถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตเป็นที่10มีภิกษุผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตเป็นที่สิบ มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่สิบมีบรรเดาะเป็นที่สิบมีคนลักเพศเป็นที่สิบมีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีเป็นที่สิบมีสัตว์เดียรฉานเป็นที่สิบมีคนผู้ฆ่ามารดาเป็นที่สิบมีคนผู้ฆ่าบิดาเป็นที่สิบมีคนผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่สิบ มีคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เป็นที่สิบมีภิกษุผู้ทำร้ายพระศารคดาจนถึงห่อพระโลหิตเป็นที่สิบมีอุพโตพยัญชนะกเป็นที่สิบมีภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นที่สิบมีภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาเป็นที่สิบ มีภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์เป็นที่สิบสงทำกรรมแก่ภิกษุใดมีภิกษุนั้นเป็นที่สิบทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำเรื่องกรรมที่สงทศวรรษพึงทำจบ